อุทธชาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตานหัวงที่ขีนาในอยู่ตอนผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพาน เียนหนังสือได้คงไม่งอกันผมฟังหลวงตาคนอื่นก็เข้าใจหมดผมไม่เคยเข้าใจตลอดเลยครับมีแต่คนอื่นประจิตออกอ๊ะมันมันซบื้องเพราะคล้ายๆผมเห็นอาการของจิตผมเห็นความว่างอะไรตลอดเลยนะครับแต่มันเหมือนนิดเดียวดวงตาก็บ่นผมหลายรอบว่าเอ๊ะมันนิดเดียวมันนิดเดียวเอ๊ะทำไมมัน มันก็เป็นกันต่กันทุกคนนั่นแหละเปนการต่กันทุกคนบางคนเขามีปัญญาครับเขาฟังหลวงตาผมเข้าใจว่าเขาเข้าทฤษฎีนั่นเลยนะครับชิดชิดชิดอะไรเงี้ยครับก็มันก็ทุกคนก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคือแม้ถ้าเข้าใจแล้วก็ต้องเปลี่ยนเดินทางไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วอ๋อเข้าใจแล้วกลับบ้านเข้าใจแล้วทิ้งกลับบ้านแล้วทิ้งหมดอ่ะหลายคนน่าเสียดาย โอ้ดูเส้นทางแล้วแล้วกลับบ้านแล้วทิ้งเลยแล้วก็มา อ, อยรอเวลามาเจอเราใหม่เพราะทแบบนี้แล้วก็โอ้ไม่ได้หลายเจียหายแล้วก็ตายตายไปแล้วหลายคนคือมันประมาทแล้วก็ไม่ทันตอนที่โอ้โหน่าเสียดายเส้นทางก็มีแต่ก็การเดินทางมันช้าช้าไปประมาณแล้วตายไปแล้วหลายคน ตายไปเยอะที่ที่ต้องที่เดินทางมาบ้างแล้วนะแต่ตายไม่ทันประมาณอยู่เราเชื่อว่าถ้าเดินทางเนี้ยทุกคนมีติดถึงที่หมายหมดเขา่าเส้นทางมันมีอยู่ไงเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรเดิน <c oughs> เดินเดินทางคือปล่อยวางอย่างเดียวมันปล่อยวางอย่างเดียวมันไม่ได้ไปเอาอะไรอนะ่ะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางป มันปล่อยวางอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าเดินทางไปเอาอะไรอ่ะมันไอเดินทางไปเอาอะไรมันยังยากกว่านี้ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางทางเดินนี้มันปล่อยวางตลอดสายอ่ะก็ปล่อยความว่างนั่นแหละอนนั้นแนปล่อยความว่างนั่นอวกก็ปล่อยปล่อยตัวเราพูดจะไปเอาความว่างนั่งไง ปล่อยตัวเราเนี่ยที่ไปเอาความว่างนะไม่ใช่ปล่อยความว่างปล่อยตัวเราที่จะไปเอาความว่างนะพอหลงตาคุสตินีเนี่ยมันมีมีแววจะเข้าใจนะถ้ปล่อยตัวเราปล่อยความว่างมันปล่อยยังไงปล่อยตัวเราที่ไปเอาความว่างคือหมายถึงว่าไม่ใช่ปล่อยคือทิ้งตัวเราไปหมายถึงว่าเลิกที่จะเอาตัวเราเนี่ยไปเอาความว่าง สะพออย่างงี้ยรู้รู้มันมันรู้รู้แล้วครับอใหม่ใหม่พูดใหม่หน่เข้าใจแล้วยังเอาให้ปอพูดกระดายปอไม่พูดเลยอ่ะไอไอไอยากไออ่ะเป็นไงบ้างน่ะเอาจากวันนั้นมาถึงเดี๋ยวนี้อ๋อพูดเสร็จเป็นยงไงให้ชัดเจนมันคือ มันเข้าใจอะไรมากขึ้นน่ะมันตอนแรกหนูคือจับทุกอย่างเลยค่ะหลวงตาจับว่าจะทำให้อย่างนู้นเป็นอย่างนี้จะทำอย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นแล้วพอหลวงตาพูดว่าว่างหนูก็ว่างเลยหนูก็ว่างหนูก็ทำทำเหมือนเหมือนกันพอหลวงตาบอกไม่มีเราหนูก็ทำตัวเองไม่มีเราเป็นอากาศไปเลยพอบอกว่าเราเป็นผู้กระทำหนูก็ไม่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้กระทานะหลวงตาคือ เห็นแต่ว่าเฮ้ยเราเข้าใจเราเข้าใจแต่เราไม่แต่เราอ่ะลืมทิ้งคำว่าเราเข้าใจเรารู้เราเห็นเราไม่เคยทิ้งเลยตัวนั้นอ่ะเราเอาตัวเราอ่ะตัวเราเนี่ยที่เป็นสังขารเนี่ยไปเป็นตัวเราพอพอวันนั้นหลวงตาบอกให้ปล่อยตัวเรามันไม่มีอะไรไปถึงอะไรให้รู้ก็วางวางวางมันก็เลยวางวางวงแล้วมันก็เข้าใจพอวันนั้นหลังจากวาันมันก็เข้าใจมากขึ้นว่า การกระทําลงไปทุกสิ่งเนี่ยมันยิ่งการเป็นการ ย, ยึดยึดยึดเหมือนถือถือถือถื อ, ถอหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นว่าแบกมากขึ้นพอสุดท้ายเราวางอา้าววางแล้วมันก็ไม่มีอะไรนี่นาะมันก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละทุกอย่างมันมันต้องเกิดจากเข้าใจแล้วก็ยอมรับประหารดวงตายอมรับเสร็จแล้วก็เห็นทุกอย่างว่าอืมมันมันไม่เที่ยงมันเป็นสมมุติแล้วเป็นสมมุติของโลก มันก็เลยแบบอืเข้าใจมากขึ้นนะคะหลวตาแล้วพอเหมือนเบมือม่อเมือ่อเมื่อเปรากฏปรากฏทำเมื่อคราวที่แล้วกับตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยราจะฟังแล้วตอนนี้แลวันนี้แตกต่างกันไหมแตกต่างกันไหมความรู้ความเห็นความเข้าใจจะเป็นแตกต่างกันไหมเข้าใจค่ะเหมือนุกพอหลวงตาพูดอะไรมาคือเข้าใจหมดเลย คือเข้าใจว่าคือหลูตาพยายามสื่อสารอะไรมันเข้าใจง่ายขึ้นว่ามันความความว่างจากกว้างจากทุกสิ่งกับความว่างที่เราทำให้เป็นมันต่างกันมันว่างจากการยึดมันว่างจากการการหลงมันว่างจากทุกสิ่งเะคะหลูงตาไม่ไม่ใช่ว่างจากที่เรากระทำให้มันว่างติดใจมันไม่มันหยุดการเกาะเกี่ยวอะค่ะหลงตา แม้กระทั่งเสียใจสังขารหนูเห็นนะคะเวลาหนูร้องไห้หรือแม้กระทั่งหนูแบบรู้สึกแบบโกรธหนูเห็นนะหนูเห็นว่าทุกอย่างมันโกรธยังมีอยู่นะคะหลวงตาแต่ใจมันไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนตอนที่ก่อนหน้าเนี้ยะค่ะมันเห็นมันเห็นว่ามันมันไม่มีการเกาะเกี่ยวกันเหมือนเดิมแม้กระทั่งทุกสิ่งรอบรอบตัวหนูหนูก็เห็นแบบมันเคลื่อนไหวไปหมดทุกอย่างแต่มันมัน มันไม่มันเข้ากันหมดเลยมันไม่มีค่ากับใจเลยค่ะมันหยุดการเกาะเกี่ยวหนูก็เลยปล่อยปล่อยให้มันเป็นไปคือพอถึงเวลาถ้าเกิดเราเราอยากรู้อยากอะไรเข้าใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้อยากรู้อยากเข้าใจอะไรคือมันถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจหรือต้องการจะต้องการจะถึงไม่ใช่ต้องการจะถึงสิ ต้องการจะเหมือนมีปัญหาอะไรอะ่ะมันจะมีสติเนี่ยหรือปัญญาเนี่ยเขาจะคอยตอบเราเองอะ่ะหลวงตาว่าเราจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้เป็นยังไงโดยที่เราไม่ต้องแบบต้องมานั่งท่องนั่งจำอะคะ่ะหลวงตาพอถึงเวลามันจะมาแก้ปัญหาด้วยการใช้สติเนี่ยเห็นแก้ปัญหาเองนะคะหลวงตาแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งเวลาเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอารมณ์เรากําลังขึ้นมันก็ มันก็เห็นแค่นั้นนะคะหลวงตามันแต่มันก็แบบเออ <_ an> เห็นทันเห็นรู้รู้เห็นรู้ทันนะคะหลวงตาก็เออแต่มันไม่แบบไม่ได้เจ็บไม่ได้ร้อนลนร้อนลอนแบบเหมือนเหมือนก่อนหน้าเนี้ยคะ่ะเห็นแล้วก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านไปเรื่อยๆ ที่เห็นชัดก็คือหยุดการเกาะเกี่ยวเกาะเกี่ยวน้อยลงมันก็เลยรสึกเหมือนม่มันไม่ทุกไม่ทุกเลยหรือมันก็มีนะคะหลวงตามันมีทุกแต่ใจมันไม่ยึดไม่ยึดทุกไม่ยึดอะไรเลยเห็นทุกอย่างก็จะก็ยังทุกเหมือนเดิมแต่มันไม่ได้ทุกจากการยึดมันทุกก็เออปล่อยมันไป แล้วก็รู้ก็แล้วก็เข้าใจมากขึ้นปกติเวลาหนูทุกข์หรือเวลาหนูโกรธหรือหนูเสียใจเงนี้นจมจมจมจ ม, จมวนคิดวนซ้ำวนซ้อนแต่ตอนนี้มันมั น, ม, นมันไม่มันไม่รู้สึกเจ็บปวดมันไม่วนทรับย์มันซ้อยมันเห็นเออทุกทุกค่ะก็ทุกเสียใจก็เสียใ จ, ยใจแต่มันไม่ได้จมที่หนูถึงบอกว่ามันหยุดการเกาะเกี่ยว ดีละดีละครับคอยสังเกตดูนะค่ะไอ้ทุกคนอย่าประมาทอย่าประมาทต้องคอยสังเกตดูค่ะอ่ามีความเพลินเหมือนกันค่ะหลวงตาแต่ก็สติรู้ไวขึ้นต้องถ้ายังใจมันยังเพลินใช่ค่ะเพลินถ้ใจมันยังเพลินไปได้เพลินไปทางตาท้งหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไปได้มันก็จะเป็นนันทิ คนันทิคือความเพลินนันธิราคะตาตาตัตระตัตราพินันธินีเตยติต่างการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาค่ะนันธิราคะความเพลินใจถ้ายังมีความเพลินใจไปท้งตาหูจมูกเล่นกายใจเพลินคิดเพลินผงแต่งไปได้มันก็ยังเป็นการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหายังเป็นตัณหาได้ค่ะตัณหาก็เป็นบอกเกิดอุปทาน จะมีตัวเราก็าไปยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งได้อุปทาเป็นบ่อยเกิดพบพบตัวเกิดชาติชาติเป็น บ, บ่อยเกิดชะลามารณะโสกปรลิเดวะทุกะโตมนุไฟ ย, ยาสัทุกโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจน้อยเนื้อต่ำใจน้ำตาไหลออกตาตัวนี้ก็มีมเห็นตัวเนี้ยก็มีความเาพรินใจความรกรุงแต่งไป ค่ะปล่อยใจปล่อยอะไรไป <Ừ. S 1> พอสักพักหนึ่งก็สติก็กลับคืนม<ห>าไว้ตรงนั้นก็ยังหลงหเอาตัว<ช>เราเนี่ยเข้าไปเป็นสังขารใดๆเอาตัวเราเนี่ยเข้าไประยุตสังขารหรือหลงไปเป็นสังขารหรือเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นความว่างแช่ๆเอาไว้ค่ะก็เกตให้ขาดนะค่ะมีทุกขณะปัจจุบันว่ามาหลงเอาตัวเราไปเป็นสังขารถ้าเป็นสังขา ร, รปุ๊บก็ตกอยู่ใต้สเปสังฆราอภิจาสเปสังฆราทุกขาสเปสังฆราอนัตตาด้วย ก็แ น, น่นัตตามีทั้งสเปดสังขาราและสเปดเป็นสเปดวีสังขารด้วยค่ะในอนัตตามันถ้าเผลอเอาตัวเราไปสังขารทุ <Twilight> กแต่งเอาตัวเราเข้าไปคิดนั่นคิดนี่ไม่เป็นผู้รู้ต้องเป็นผู้รู้อยู่กับรู้อยู่กับผู้รู้อยู่ตลอดเวลาค่ะคือรู้อะไรก็คือรู้พ้นนั่นแหละรู้พ้นว่าไม่เอาตัวเราไปเป็นสังขารและไม่เอาตัวเราไปเป็นวีสังขารผู้รู้ตัวเนี้ยทิ้งไม่ได้เลยถ้าทิ้งตรงนี้หลงทันที หลุงปู่ดนูนตุโรว่าเขาถามท่านว่าลุงปู่ดนูนตุโรได้ชื่อว่าเป็นอหรหันต์ที่เป็นเจ้าแห่งจิตอยู่กับอะไรอะไรเป็นวิหารธรรมอยู่กับรู้อยู่กับรู้ <fat. S 1> ส่วนลุงปู่ลีตานางกะโลที่มาเยี่ยมเราที่เนี้่การมานั่งอย่างนี้บริเวณนี้นะเจา้าว่าที่นี่องค์หมายเจาย้าว่าองค์หมายพระเจ้เขียงถามลุงปู่ว่าหลุงปู่มีอะไรเป็นวิหารธรรมดูลุงปู่แล้วโอ้ทะลุไปหมดเลยไม่มีอะไรติดขัดเลย หลวงปู่มีอะไรเป็นวิหารธรรมเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องอยู่หลวงปู่บอกว่าอยู่กับผู้รู้กับผู้รู้เนี่ยผู้รู้นี่แน่เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ถ้เมื่อไหร่ทิ้งผู้รู้ก็จะหลงเอาตัวเราไปเป็นสังขารคือหลงเอาตัวเราไปคิดไปปรุงไปแตง่งไปมีอารมณ์หรือไม่เช่นั้นก็หลงตัวเราไปเป็นวิสังขารคือ เอาตัวเราไปทําไปอยู่วองว่างเอาตัวเราไปจับความว่างไปแช่ว่างไว้ค่ะอไปแช่ไปแช่ต้องอยู่กับรู้รู้ว่าไม่หลงไปเป็นอะไ ร, ร<ช>ะไม่หลงไปเป็นสังขารและไม่หลงไปเป็นที่สังขารไม่หลงไปเป็นความว่างและไม่หลงไปเป็นความปวงแตง่ง<ชะ>ใช่พอรู้งรูเพลินนี่ก็หลงเลยค่ะลุงตาพอทิ้งรู้ค่ะไวมากเลยต้องสังเกตนะค่ะอย่าทิ้งรู้ รู้นี่เกิมีแจ่รู้อะไรรู้ผลไม่ใช่ไปรู้อาการหรออไม่ใช่ไปไล่รู้อาการใดคือรู้ผลรู้ว่าไม่ได้หลงก็เป็นสังขารและไม่ได้หลงก็เป็นวิสังขารมีแต่รู้ไม่มีตัวเราถ้าเบีกดฏว่ามีตัวเราเมื่อไหร่ที่จะรักษาตัวเราไว้อันนั่นแน่เป็นความลงแล้วถ้ามีตัวเราพยายามรักษาตัวเรา ไม่ให้ตัวเราหลงไปเป็นสังขารไม่ให้เราหลงไปเป็นตัววิสังขารไม่ให้ตัวเราเนี่ยหลงเอาตัวเราไปเป็นตัวเพลินไม่ให้ไปติดไปกับอะไรอันนั้นเนี่ยคือความหลงแหละอันนี้ไหวค่ะเพราะ <c oughs> ว่าหลงว่ามีตัวเราค่ะมีตัวตนของเราค่ะละเอียดมากนะต้องเป็นทีละเอียดรอบคอบมากเลยค่ะปล่อยปะละเลยไม่ได้อันนี้ปไหวนะกลัวหลงก็เลิก แต่ยามจะพราะักแต่ก็ไม่ใช่หลงแล้วปล่อยหมดแล้วไม่รู้อะไรนะอันเนี้หลงขาดเลยละถ้าถ้าบอกว่ากลัวหลงแล้วก็ปล่อยหมดเลยปล่อยหมดก็ขาดเลยต้องรู้ว่ามีเราเนี่ยไปไปรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ตัวเราหลงหรือเปล่าใช่ค่ะหรือว่าไม่ใช่ปรักษาตัวเราไม่ให้หลงแต่เราหลงจริงๆหลงไปสังขารเลยหลงไปปรุงแต่งหรือหลงเอาตัวเราไปเป็นไปเป็นตัวว่างๆไว้เลยครับแต่จริงในความว่างมีตัวเราไม่ใช่มีแต่ความว่างแต่มีตัวเรา อันนี้ละเอียดนะ ะ, ะเอียดต้องสังเกตนะให้รอบคอบหนูก็เผ ล, ลเอลเผลอเรื่อยๆเลยแต่ว่าก็เห็นอันนี้ต้องรอบคอบมากเลยต้องละเอียดให้รอบคอบให้ถึงที่สุดพอเราไปปรุงเป็นตัวเราค้างเอาไว้รักษาให้เราไม่มีกิเลสเดี๋ยวเราก็ลงไปมีกิเลสเดี๋ยวเราก็ไอความปรุงไว้บางทก็ทำให้เรามุดหมิดปรุงค้างเอาไว้ ใครมากระทบอารมณ์ไม่ได้เลยการเป็นระเบิดอารมณ์แต่จริงอะ่ะเราไป็มีกิเลสแต่เราปรุงตัวเราให้เป็นกิเลสรักษาตัวเราไว้พออะไรมันก็นแทกเราเลยเราเราเลยมีอารมณ์เลยนี้เลยโมโหของขึ้นเพราะว่าเราปรุงรักษาตัวเราไว้สังเกตให้ดีนะสังเกต้กตีแต่มันไม่ไม่หลอดพ้นจากการสังเกตได้หรอกเพราะแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านอ่ะท่านเป็นเด็กเลี้ยงควายถ้าสังเกต ละเอียดรอบครอบจนบรรลุอลหรหันต์หลายองค์มากมายอย่างหลวงปู่บัวปริตญ์ปโนโน้องแสงเนี่ยวันน้องแซงที่อุดรอธา น, นีท่านก็ว่าปีนานได้ไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสมานานแล้วแต่หลวงตามหมาบัวเนี่ยยาณสัมปโนป้ป่าบ้านตาัดท่านมียานอย่างรู้ท่านรู้ว่าหลวงปู่บัวเนี่ยยังไม่รูุ้อหรหันต์ท่านเลยไปบอกว่าไปสักสายลายเหลี่ยงหลวงปู่บัวก็ ว่าเราไม่มีกิเลสมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีกิเลสเราก็พิจารณาตัวเราตลอดเราไม่มีกิเลสแล้วเราตามมาบัวกขเลยบอกดูให้ดีแล้วคอยใครคอยพิจารณาว่าตัวเองไม่มีกิเลสตัวเองไม่มีกิเลสใครอคอยรักษาตัวเองอ่ะท่านเลยอึ้งไปแพิจารณาใหม่ดูให้ดีใครรักษาตัวเองไม่ให้มีกิเลสแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่มีกิเลสตัวเองไม่มีกิเลสมาหลายปีแล้ว แล้วใครรักษาตัวเองให้มีกิเลสไอตัวรักษาเนี่ยเนี่ยคือกิเลสอ๋อเป็นอวิชชาเนี่ยไอตัวที่ตังหัวรักษาใจของตัวเองไม่ให้กิเลสไม่มีกิเลสเ่ยเน่ไอพูดที่ตังัวรักษาใจของตัวเองไม่มีกิเลสเนี่ยเนี่อันนั้นคือกิเลสเป็นอวิชชาอืมถเรามาพิจารณาเป็นจริงจริงเว้ยเป็นจริงๆเราพยายามรักษาใจของเราให้งี้ย่าเลยปล่อยวางเราบรรลุอรหัตเล ม่เ <บ Gold S 1> มหน็นไวขึ้นนะคะแต่บางทีมันมันเลยไปผ่านไปสปักพักนึงเอ้าถึงถึงได้เห็นนะคะลุงตาตอนนี้ก็เห็นขอ ง, ของยกเนี่ยมันยังเราเราพูดเน้นยางย้ำตรงเนี้ยเพราะว่าโยกยังหลงพัดไปพัดมาตรงนี้นะใช่ค่ะลงมาพัดมารักษาตัวเองแล้วก็เกิดอารมณ์ใช่ค่ะแล้วก็พอปหลุดจากการรักษาปุ๊บก็ปล่อยขาดอารมณ์ไม่มีอารมณ์ใช่คือต้องปล่อยขาดก็หลง รักษาตัวเองไว้ไม่ให้หลงก็หลงเ <Okay. S 2> นี่ความยากยากอยู่ตรงนี้ไนงะไม่ใช่ว่าง่ายๆหรอก <Okay. S 2> แต่ใครมันเห็นสองทางนี่ไนงะคือพอเราเนี่ยพยายามมารักษาตัวเองไม่ให้หลงมันกลายเป็นหลงรักษาตัวเอง <Okay. S 2> เอา้าวพอเราปล่อยขาดไม่รักษาตัวเองไว้มันก็หลงเลยตัวเนี้ยหลบปรุงแต่งเลยตัวเนี้ย <Okay. S 2> ปุุงบ้านเลย okay. ใช่ go ออ้าวมันก็หลงอีก มันยังอยู่เนี่ยของยกเนี่ยมันยังอยู่ระหว่างเนี่ยยังอยู่ระหว่างหลซ้ายลงขวาลงได้ายหลงขวาคือหลงรักษาตัวเองแล้วก็หลงปล่อยหมดหลงรักษาตัวเองปล่อยหมดรักษาตัวเองสังเกตสงรักษาตัวเองเนี่ยหุดหงิดใช่หงดิดมากเลยพอหลงรักษาตัวเองแล้วหุดหงิดเป็นคนอารมณ์หุดหงิดใช่ค่ะเพราะว่าใครกระทบไม่ได้เลยแตะไม่ได้พยายามรักษาตัวเองไว้มันก็เลยว่าเหมือนคนใส่ผ้าขาวเนี่ยคนที่ชอบความสะอาดแล้วใส่ชุดขาว่ะ ชขา้งทั้งเสื้อขาวกับโปงขาวั้งชุดขาวทั้งชุดอะแต่เป็นคนรักสะอาดอะไอการรักษาตัวเองเปรียบเหมือนกันนะคนที่รักความสะอาดแต่ไปใส่ชุดขาวเวลามันเปื้อนอะไรนิดอรลอยหน่อยเนี่ยมันทนไม่ได้มันทนไม่ได้เลยเพราะว่า อ, อะไรมันเห็นชัดเนี่ยผ้าขาวอะนั่งก็จะนั่งไม่ได้กลัวว่าจะเดี๋ยวผ้าจะเปื้อนจะเท่าไรก็ไม่ได้ทั้งหมดพิงเสาก็พิงไม่ได้ เดี๋ยวชุดขาวจะเปื้อนเลยยืนเด็กค้ำอยู่ได้ไหนมันก็เลยเครียดอะตใช่เลยอนี้เออเนี่ยมันของโยตา น, นั่นจะเป็นแบบผ้าขาวใส่ใส่ผ้าขาวแล้วก็ถ้าปล่อยหมด เ, เครียดมากเยลยปล่อยหมดปล่อยหมดฟุง้งซ่านเปื่นเลยค่ะอันเนี้ยอยู่ระวังนี่นะแต่ก็อันนี้เนี่ยเป็นทางทางเดินทางเดินเป็นทางผ่านจะต้องไม่ให้หลงไปทํางสองทาง แต่มันก็จะเห็นจากความหลงนี่แหละแล้วจะหลุดพ้นจากความหลงถ้าไม่มีความหลงเมก่ อ, กอนมันจะหลุดไม่ได้หรอกก็คือมันต้องหลงเมก่ อ, กอนอ้าวให้หลงแล้วรู้อ๋อนี่หลงมาทางนี้อ่หลงไปปล่อยหมดก็ไปทางนี้อหลงมายึดไว้ก็ทางนี้เอ๊หลงปล่อยหมดอย่างนี้มันจิ๊กจิ๊๊กิกอยู่อย่างนี้แหละจนเป็นมัชชีม า, พาปฏิปทานนไปไปทั้งสองฝั่งเป็นมัชชีมพ า, พาปฏิปทาเ น, นี่ย พิจารณาดูให้ดีนะอย่าขาดการพิจารณาเมื่อไรขาดการพิจารณาแล้วหลงก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยพิจารณาให้รอบครอบพิจารณานี่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไล่คิดอะไรเอาไม่ใช่พิจารณาคือมันสังเกตให้รอบครอบจริๆเป็นอย่างที่ดวกตาพูดหรือเปล่าที่อาจารย์พูดหรือเปล่าเห็นเห็นมาเมื่อเมื่อวานเมื่อวานเห็นเราสัมผัสใจได้อย่างนี้นะค่ะมาเป็นอย่างนี้ ฉะ น, นั้นต้องมีความสังเกตรอบความละเอียดกว่านี้คถ้าไม่สังเกตลงเลยล ง, ลงขาดเลยลงเพื่อสองฟังเนี่ยขาดต้องสังเกตรอบควพอพอรู้สึกว่าพอแบบเหมือนพอตั้งหนูอะตั้งว่าอืมเดี๋ยวเราทําทําไปตรงนี้เดี๋ยวมันจะไม่ได้นะทําอำนี้เดี๋ยวมันผิดน ะ, อะพอทักหนึ่งหนูก็เลยหย่อนหย่อนพอนี้หนูหย่อนหนก็เพลินเลยค่ ะ, ะเพลินักหนึ่งหนูก็เอ๊ะ เห็นทั้งสองฝั่งเลยหนูก็เล ย, เยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราเป็นผู้กระทําอีกแล้วแล้วก็เห็นอีกทีนตอนเข้าห้องน้ำอะไรขลุ่มตาอยู่ดีมันปิ้งขึ้นมาเลยอ้าวเราหลงไปเป็นผู้กระทํานี่นาแล้วเราเราหลงไปเป็นผู้ผู้ถูกรู้ไม่ใช่ผู้รู้ก็คือแบบเราอยู่กับไอสิ่งที่มันเคลื่อนไหวแต่เราไม่อยู่สิ่งกับกับสิ่งที่มันเป็นเดิมแท้ของมัน่ะหรูบังคับมันก็เลยแบบอ๋อเข้าใจแล้วอะก็ปล่อยไปเลย มีสองอย่างละเอียดมากนะตรงเนี้ยค่ะละเอียดมเรายังว่ายอมดวงใจเนี่ยเรายังต้องมาหาเราอีกยังหลงหลงอยู่ตรงเนี้ยอมดวงใจเนี่ยต้องมาหาเราอีกเหมือนกันแต่พี่นราเมื่อไรกันนฮะเราก็รู้อยู่ว่ายังหลงตรงนี้ค่ะต้องมาหาเราอยู่ โอกาสก็ให้มาหาเดียวดวงใจเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่เนี่ยมันก็จะเหมาะในการที่จะมาสนทนาธรรมแต่ถ้ามาแบบเนี้ยละเอียดแบบเนี้ยอย่ามาช่วงเสารอาทิตย์เพราะว่าเสารอาทิตย์คนเยอะสุกเราร์เนี้ยคืนวันศุกร์ตั้งแต่คืนวันศุกร์ก็ลดมาลุมลๆมลืมลืมเลยคนมันเยอะโอกาสที่มาสนสนทนาธรรมธรรมที่ละเอียดละเอียดเนี้ยไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาไอันนี้คนน้อยนะ <ellow. S 1> เราเลย อธิบายละเอียดซึแล้วก็ไล่ไล่ตอนจนละเอียดกันอย่านี้ถ้ามีสุขคือมันสุขันสาวที่จะไมไม่ไม่ไมีอะไรเป็นคนมันเยอะมากก็จะถามหนูตาแหละว่าอะไรกินคนมีเยอะไม่กล้าถามเพราะรู้สึกว่าเห็นแล้วล่ะว่ามีมีช่วงเข้าแบบเพลินเพลินไปเลยอ่ะแล้วหนูก็เลยสงสัยเอ๊ะเราเพลินเหมือนจะฟองอากาศตาเอ๊ะหนูก็เอ๊ะเ อ, เอทีหนึ่งแล้ว คักหนึ่งก็เลยมาตั้งใหม่ตั้งใหม่อ้าวเขาที่เราตั้งเลยอ่ะค่ะหลวงตามันก็เลยหุนหิดอีกก็เลยแบบที่อย่สองตั้งเดี๋ยวเด็อกกับโอ้ก็จะได้เข้าใจไปด้วยว่าน้องเป็นอะไรเอ็กไหมมันหมดามันเป็นธรรมแล้วมันหมดหิดง่ายนะกําลังตีกันอยู่เลยค่ะต่อเลิดไปอีกอะคืนเป็นอย่างงี้เนี่ยพอเมื่อไหร่รักษาตัวเองก็จะหมดหิดง่าย ว่าไหลเตลิดไปก็ฟุปล่อยปล่อยวาปล่อยหมดก็ฟุงอีกเอ๊ะไมมันเป็นธรรมแล้วทำไอย่างนี้แต่มันเป็นธรรมที่ละเอียดขึ้นแต่ตรงนี้ยากที่สุดยากที่สุดเพาะละเอียดที่สุดมันลยยากที่สุดละเอียดม่าละเอียดมากกับของอะไรละเอียดก็ไปละเอียดไปยิ่งยากเข้าไปยากเข้าไปไอ้หยาบหยามันง่ายมากแล้วหยบเออเอาบหยาบเลยพอมันหลุดไปถึงขั้นอารมณ์หยาบหโอ้โหเห็นสาวมาเห็นหนุ่มรอมาปิง ใสกับเขาแล้วก็เตลิดไปเลยอย่าเงี้ยไออย่างเนี้ยมันก็มันก็มันอย่างนี้มันก็เออเปนของหยาบหยาบมันก็พอเตลิดไปจากเขาพักก็อารู้สุดโต้ขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่ามันหยาบพอมาถึงขั้นละเอียดเนี่ยมันพัดไปสอทางเนี่ยไอตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องละเอียดเป็นคนที่สังเกตละเอียดรอบคอบทุกเรียบท เนะพียนเขานะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็พอ เ, เห็นว่าลูปธรรเห็นธรรมกันมาได้จนถึงขนาดเนี้ยทุกค น, นแล้วก็ถึงพอใจเพราะว่ามีการพัฒนามีการพัฒนากันขึ้นถ้าพัฒนากันแต่และคนทีพูดก็มากละเอียดที่พัฒนามาได้ดีมากเลยครับ ในถึงขั้นปลายเนี่ยเป็นกันที่จารักว่าเราก็ยังงงงงไอ้ไอทางเส้นเนี่ยเพราะว่าเราเดินทางครั้งแรกเราเดินทางในการพิจารณากายนา่นาปลดปล่อยความจนปล่อยวางไปเดินทางครั้งที่สองเดินทางทางฝั่งเวทนาอายตนะภายในอายตนะภายนอก เห็นว่าจิตมันไปคิดปรุงแต่งมันกระทบกับอายตนะภายนอกคือกระทบรูปพอกระทบรูปปุ๊ที่ก็แล่นไปปรุงแต่งที่รูปไปจับรูปแล้วมาเอามาคิดปรุงแต่งในใจก็ละละออกดละเดี๋ยวนั่นเลยพอหูไปไดียินเสียงอายตนะภายนอกมาจับประมาคิดปรุงแต่งในใจก็ละออกจากใจไปให้กลับมากระชากมาอยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันตัวอยู่ไหนจะอยู่นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นเช่นพอพอตาเห็นผู้หญิงผู้สวยปุ๊บ มันก็จิตมันก็ไปจับที่ผู้หญิงด้วยตัวแล้วก็คิดปรุงแตง่งอยู่กับที่ตัวเขาา น, นั้นเองวนเวียนอยู่ในเรื่องร่างกายเขาเท่านั้นเอไปไปไหน เ, นเราก็เห็นแล้วรู้ทัท้งานและกระชาคกความรู้สึกตัวขึ้นมาให้มันลดออกมาจากใจที่มันปจิตใจที่มันไปคิดป่วเปียนพ่วนเปี้ยนเขาคลอเคลียอยู่กับร่างกายเขาา น, นั้นเงก็กระชาคกความรู้สึกขึ้นตัวออกมามาอยู่ในปัจจุบนันคือตัวอยู่ไหนใจอยู่ น, นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นก็กระชากมันออกมาเดีแว๊บเดียวเองอะ มันก็ไปอยู่กับคนน้นคนนี้อีกแล้วมันไปเร็วมากเลยมันไปปั๊บไปก่อนเห็นมาเลยอ่ะเห็นมันเหมือนว่าเห็นจิตเหมือนเป็นตัวเป็นตนเลยมันแล่นออกไปไปจับไปเขาคอเคลียร่างกายเขาอยู่นั่นเนี่ยไปคิดปรุงปรุงคิดคิดปรุงปุงคิดเขาคอเคลียอยู่กับร่างกายเขาไม่ไปไหนพอเจอคนสวยๆคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนีน้แล้วก็มันก็ไปเขาคอเคลียรเขาอยู่นั่นเนี่ยจิตเห็นมันแล่นออกไ ป, ไปเป็นตัวเลย แล้วก็ไปอยู่กับเขาเนี่ยไปอิงไปแอบไปเข้าคอเคียวนเวียนอยู่แต่ร่างกายเขาไม่ไปไหนเราก็กระชากมาอยู่กับความรู้สึกตัวกระชากมาอยู่กับความรู้สึกตัวตัวอยู่ไหนใจอยู่ด้านทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นเดี๋ยวก็ไปแล้วแอบหูได้ยินเสียงก็ไปแล้วไปเข้าคอเคอยู่ก็จะปองเสียงนมันก็ไปอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ชากมาอยู่กับความรู้สึกตัวพอกระชากกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวมากเข้ามันไม่ออกไปมันไม่ออกไปหาอะไรเลย แต่มันไปดิ่งอยู่ข้างในมันไปยุ่งอยู่กับข้างในเรานึกว่าตอนแรกๆหลงนึกว่ามันดีคือมันตัวอยู่ไหนใจอยู่นัานทําำลายใจอยู่กับสิ่งนั้นคือมันรู้สึกตัวอยู่กับสิ่งที่เรา ก, กำกระทําอยู่เอหลงอยู่พักหนึ่งนะมันทําไมตัวเราทําอะไรอยู่ไหนใจอยู่ น, นั่นทําอะไรใจไม่ต้องรู้สิ่งที่เรากทำทําแต่ไม่ใช่มันไปรู้เรื่องของใจหมดเลย มันไปคอยคิดว่าเอ้ยดีแล้วอย่างนี้มันไม่ออกไปยุ่กับเขามันอยู่ข้างในเนี่ยดีแล้วมึงไม่ต้องออกไปอยู่ข้างในอะไรมนจุกจิกจุกจอยู่แต่ข้างในเอ๊ะแทนที่จะไปเข้าคอเคียอยู่ข้างนอกแต่มันมาเข้ากอเคียแต่แต่อาการของจิตกับสภาวะธรรมที่อยู่ในใจเฮ้ยอย่างนี้มึงไม่ออกไปก็ดีแล้วดีดีดมึงอยู่ตรงนี้เนี่เออไม่ต้องออกไปนะโอ้แต่ทำไมมันนิ่งๆอึดๆอย่างนี้วยเนี่ยมันทํำไมไม่บบาๆว่างๆมันทำไมนิ่งๆอึดๆเอ๊ะทำไมไม่ออกไปมันทําไมอืดท้องมากเลยมันทำไมมึนๆหัวตื้อๆอย่างเงี้ย เอ๊มันทำไมเป็นอย่างนี้วะมันนิ่งนิ่งดื้อๆอย่างไรเฮ้ยหไม่ถูกว่าะโหหลงอยู่ตรงนานหัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ออกไปข้างนอกแต่มันเราไม่รู้ว่ามันมันอยู่ข้างในแต่มันไม่มาอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําในปัจจุบันตัวอยู่ไหนใจอยู่ด้านทําอะไรใจกว่าสิ่งนั้นกว่าจะรู้สึกตัวตั้งนานเน่ะเฮ้ยนี่มันไม่ไม่รู้สึกตัวอยู่กับสิ่งที่เรากำทำเนี่ยมันไปอยู่แต่ข้างในไอ้อย่างนี้เน่ะมันก็ส่งจิตออกนอก มันนอกจากสิ่งที่เรากระทาอยู่แต่มันเข้าไปยุ่งอยู่แต่อาการของจิตข้างในมันก็ส่งจิตออกนอกมันมีค่าเท่ากับเราเนี่ยส่งออกไปหาผู้หญิงข้างนอกมันมีค่าเท่ากันเลยเขาเรียกว่าส่งออกนอกเหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เรียกว่าส่งเข้าไปข้างในก็เรียกว่าส่งออกนอกคือส่งออกนอกจากปัจจุบันธรรมที่เรากาลังทําอะไรในปัจจุบันเลยกระชากมันเอาไปทิ้งจากไอ้ที่มันไปยุ่งยุ่งอยู่กับอาการข้างในไปบ่นบนไปพูดพูดอยู่กับอาการของนจิตข้างในกระชากมันโอ้ยนี่กระชากยากมาก เพราะมันกระชากมันเข้าไปอยู่ข้างในกระชากเขามาอยู่กับความรู้สึกตัวที่กาลังทําอะไรอยู่เนี่ยอยู่ตั้งนานนะจนกระทั่งมันไม่หลุดออกไปข้างนอกและไม่หลุดเข้าไปข้างในมันอยู่แต่ความรู้สึกตัวที่กําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันแค่นั้นนะมันเบามันว่างไปหมดเลยแต่มันไม่ใช่อย่างว่างว่างอย่างพ้นทุกนะมันได้แต่แค่เบาสบายมากมันรู้สึกว่าเออมันทําอะไรเนียมันเบาตัวเบากายเบาใจมากเลย ถ้ามาทำอะไรก็ทำอะไรได้กายเบาเบาตัวเบาใจมันถึงแม้มันจะเห็นอะไรแล้วใจมันจะไปคิดหรือไม่คิดไม่รู้จะมันมีค่ามีความหมายอะไรเลยมันก็จะเห็นสับตาว่าเห็นอาการของใจมันก็ปรุงอะไรก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายเลยได้แต่รู้ว่ามันปร men, ุงแต่มันไปอยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันแต่มันตาก็เห็นแต่มันไม่มีค่ามีความหมายไอ้สิ่งที่เห็นน่้ไม่มีค่ามีความหมายหูก็ได้ยินแต่สิ่งได้ยินไม่มีค่ามีมีความหมายต่อใจใจที่มันเป็นอาการอย่างไรก็มันก็ไม่มีค่ามีความหมายต่อใจ มันไม่อยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันที่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นมันทำงานได้กายเบาใจาเบามากเลยแต่มันไม่พ้นทุกนะยังไม่พ้นทุกมันมาเห็นอีกทีว่าตอนที่มันตามมันไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเนี่ยทุกทีเราเห็นผู้หญิงสวยก็ตามนั้นก็มองไปด้วยมองแล้วคิดปุุงปรงคิดเอ๊มันไม่ไปไว้มันอยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบัน แต่ทำไมรูปเหล่านั้นจึงไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเอ๊ะทำไมมีแต่รูปแต่ทำไมมันไม่รู้สึกถึงมีผู้เห็นรูปอือตรงนี้สำคัญมากเลยมันเห็นแต่รูปแต่มันไม่รู้สึกว่ามีผู้เห็นรูปอือเฮ้เราก็เลยมือไปกันเฮ<อ>้ระหว่างรูปกับผู้เห็นรูปไม่มีสายไฟไม่มีไฟเชื่อมต่อด้วยมันเป็นความว่างเว้ย ดังนั้นน่ะระหว่างรูปเนี่ยเบื้องหลังการเห็นรูปเนี่ยมันเป็นความว่างระหว่างหูก็ไอ้ว่างเสียงกับผู้ได้ยินเสียงมันไม่ได้รู้สึกถึงผู้ได้ยินเสียงมันได้ยินแต่เสียงแต่เวลาได้ยินเสียงมันไม่เคยรู้สึกถึงผู้ได้ยินเสียงเราพวกเรากันเหมือนงานปกติเนี่ยเวลาเราเห็นรูปเนี่ยเราจะเห็นแต่รูปเราจะไม่รู้สึกอีกทีว่ามีตัวเราผู้เห็นรูปแต่เราก็จะเห็นแต่รูปเนี่ยเราไม่เคยมา รู้สึกซ้ำสองจริงๆว่าถ้าเห็นรูปก็มารู้สึกตัวอีกทีว่าเราเป็นผู้เห็นพอได้ยินเสียงทุกคนก็ได้ยินเสียงเนี่ยแต่ไม่มารู้สึกตัวว่า <s> เรานะี่ยเป็นผู้ได้ยินเสียงไม่เคยมีใครทําแบบนี้คือได้ยินเสียงก็คือได้ยินเสียงเลย <s> เห็นรูปก็เห็นรูปแต่เรากลับเห็นว่า <_ s> มันมีรูปแต่เบื้องหลังของรูปมีความว่างเปล่าแล้วไม่เคยรู้สึกถึงว่ามีตัวเราแล้วก็เอามือไปก้านระหว่างรูปกับกับผู้เห็นรูปมันเป็นความว่างเสียง กับผู้ได้ยินเสียงเป็นความว่าไม่มีสายไฟไม่มีเชื่อบอ้าวอย่างนั้นประตูใจเนี่ยไปรู้ธรรมอารมณ์มันก็ต้องเหมือนกันนี่เพราะว่าเวลาตาเนี่ยกับกับรูปหูกับเสียงใจกับธรรมอารมณ์คือธรรมอารมณ์ก็คืออาการของใจที่ถูกรับรู้ได้คือความรู้สึกหรือคิดอารมณ์ทุกชนิดที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันแล้วก็ไปรู้อาการของใจเหล่านั้นเมื่อ มันรู้แต่อาการของใจมันจะต้องไม่ปรากฏผู้รู้นี่สําคัญเพราะเมื่อเห็นแต่รูปมันจะไม่ปรากฏผู้เห็นรูปเมื่อได้ยินเสียงมันจะไม่ปรากฏผู้ผู้ได้ยินผู้ไปไปรู้เสียงในใจเรามันแต่ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่ปรากฏผู้ไปรู้เสียงในใจเราพอมันเห็นรูปมันจะปรากฏเห็นแต่รูปแต่ไม่ไม่ปรากฏผู้รู้รูปในใจเราถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำอารมณ์คือเวลาเรารู้สึกความรู้สึกในคิดอารมณ์เนี่ยมันจะไม่ปรากฏตัวเราเป็นผู้รู้ มันปรากฏแต่อาการแต่ไม่ปรากฏผู้รู้และระหว่างอาการกับผู้รู้เนี่ยต้องเป็นความว่างแค่นั้นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดดับอยู่ในความว่างเลยนี่แน่ยฉันไม่มีใครอะ่ะไม่มีใครผูกแท ไม่มีใครไปรักษาอะไรใครไวเลยไม่มีแม่ช้างก็เข้าใจที่เราพูดไหมใครไม่เข้าใจไหมท่านสามารถมันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงนะท่านสังเกตดูเอง เวลาาท world, it, izione, out, e like ่านเห็นเราเนี่ยหรือเห็นรูปสาราทั้งหมดท่านเห็นเราเรียนใครก็ได้เวลาเห็นอะไรเนี่ยท่านจะไม่ไม่ไม่กลับมารู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้เห็นอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเห็นแต่รูปมองมองรูปมองเจดีย์ท่านก็ไม่รู้สึกไม่มารู้สึกซ้อนอีกทีว่าตัวเราเป็นผู้เห็นเจดีย์นะมันก็ไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนั้นท่านก็จะเห็นแต่เจดีย์เห็นแต่รูปเห็นแต่เราอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้สึกไอ้ทีว่ามีตัวเราผู้เห็นตัวเราผู้เห็นนะตัวเราผู้เห็นไม่เคยมีความรู้สึกท่านก็จะเห็นแต่ และระหว่างรูปกับผู้เห็นรูปเนี่ยเป็นความว่างเนี่ยเนี่ยระหว่างท่านกับท่านทั้งหลายเนี่ยกับเราเนี่ยเป็นความว่างไม่มีเชือกไม่มีสายไฟเป็นความว่างถ้าลองเอามือกั้นดูสิระหว่างท่านตั้งหลายกับตัวเราเนี่ยท่านเห็นเราก็จริงเนี่ยแต่ถ้าลองเอามือกันดูสิเนี่ยมันเป็นความว่างและท่านจะรู้เป็นความว่างจริงๆดังนั้นน่ะประตูใจคือธรรมลมกับใจ นั้นธรรมลมคือสิ่งที่เป็นอายตนาภายนอกรูปเป็นอายตนาภายนอกเสียงเป็นอายตนาภายนอกธรรมลมคืออาการของใจทุกชนิดเป็นธรรมลมเป็นอายะตนาภายนอกดังนั้นะนะท่านรู้อายตนาภายนอกในขณะปัจจุบันคือรู้อาการของใจในปัจจุบันจะต้องไม่ปรากฏผู้รู้แต่ต้องไม่รู้สึกว่ามีมีตัวเราเป็นผู้รู้มีแต่อาการที่ถูกรู้เท่านั้นเพราะอะไรเพราะเวลาเห็นรูปเนี่ยมีแต่รูปจะไม่ปรากฏอาการของผู้รู้รูป พอได้ยินเสียงเนี่ยจะปรากฏแต่เสียงแต่ไม่ปรากฏตัวผู้ไปรู้เสียงพอประตูใจก็คือธรรมอารมณ์เป็นประตูใจคือเป็นอายตนาภายนอกคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อาการของใจเป็นอายตนาภายนอกจะไม่ปรากฏใจผู้ไปรู้ธรรมอารมณ์จะปรากฏแต่อาการของใจจะไม่ปรากฏผู้รู้และระหว่างธรรมอารมณ์คืออาการของใจกับผู้รู้ หรือใจผู้ไปรู้เนี่ยต้องเป็นความว่างไม่ใช่ว่ามีแต่อาการแน่นแ่นมีอาการคิดตึกอยู่ในใจแต่เบื้องหลังของอาการทั้งใจต้องเป็นความว่างแค่นั้นเนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างเนี่ยความรู้สึกและคิดล้มมาเลยเกิดดับอยู่ในความว่างคือมันจะไม่สามารถเอาไปปรุงแต่งต่อได้ทุกประตูมันไม่เคยรู้สึกเลยว่ามีเรา อาหูจมูกรินกายใจมันมีแต่เพียงสักแต่ว่ารู้ไม่รู้สึกถึงมีตัวเราเลยว่าตัวเราเป็นผู้รู้นี่แนี่พุทธพ์ที่พุทธเจ้าตัด ก, กับภัยยะภัยยะถ้าเธอป่ า, าเธอเธอตื่นต้องการรู้ปัญญนิพานจงสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าดิสักแต่ว่ารู้อาการหางใจ ก็จะไม่มีตัวตนไม่รู้สึกว่ามีตัวตนของเธอในปัจจุบันและไม่มีตัวตนของเธอในโลกในโลกโลกและในโลกกต้ต่อไปเธอจะสิ้นจากทุกบรรลุพระนิพพานพัยะเข้าใจตรงนี้เลยคือว่ามีแต่รูปมีแต่เสียงมีแต่รูปมีแต่เสียงแล้วก็มีแต่อาการของใจแต่ไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตนของผู้รู้ลูกไม่มีตัวตนของผู้รู้เสียงไม่มีตัวตนของผู้ที่ไปรู้อาการของใจมีแต่ลูกมีแต่เสียงมีแต่อาการของใจแต่ไม่มีตัวเราเหมือนกับว่าคือเราเห็นคือสมมุตินะคะหนูหนูวเห็นอาคารแต่หนูไม่เห็นว่าตัวหนูเห็นอาคารถูกต้องถูกต้องถูกต้องเข้าใจค่ะกี่โมองกันล่ะเช้าคืนครึ่งแล้วคะ่ะอะ อ๋อไม่ไม่อะไรหรอกไม่หรอกหรอกไอ้ยเป็นธรรมมัใช้ได้ไม่ต้องเก่งใจอาอใหม่เลยวม่อกี้ถูกต้องแล้วเอาไปประตูประตูอื่นสิอย่างถ้าเกิดโอ้โหหนูได้ยินอย่างจิ้งจบร้องเงี้ยได้ยินจิ้งจกร้องแต่ไม่มีตัวหนูอ่ะไปรู้ว่าเสียงว่าเนี่ยจิ้งจกร้องอ่าถูกต้องถูกต้องค่ะไม่กระทั่งอารมณ์ อารมณ์เนี่ยมีอารมณ์โกรธอยู่แต่ไม่ใช่ตัวหนูไปอารมณ์โกรธคือเราเห็นว่ามันมีอารมณ์โกรธแต่ไม่ใช่ตัวหนูเนี่ยไปเห็นว่ามีอารมณ์โกรธถูกต้องค่ะคือปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปอย่างนั้นน่ะค่ะให้มันผ่านผ่านผ่า น, านมืนลมพัดผ่านไปค่ะเข้าเข้าใ จ, าใจาใค่ะอะไรเข้าใจนี่เนี่ยมันมีพุทธพจน์องรับสักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ายินสักแต่ว่ารู้แจ้งตั้งใจ สักแต่ว่ารู้แจ้งอาการทางใจสักแต่ว่าแต่ไม่มีตัวตนไม่รู้สึกก่ามีตัวเราเป็นผู้เห็นไม่มีตัวเราผู้ได้ยินไม่มีตัวไม่รู้สึกว่ามีตัวเราเป็นผู้รู้อาการทางใจมีแต่สักแต่ว่าเห็นมีแต่สักแต่ว่าได้ยินมีแต่สักแต่ว่ารู้อาการทางใจเลยเป็นสักแต่ว่าเนี่ยมีแต่สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารู้แตอาการทางใจแต่ไม่มีว่า มีตัวเราไปสักแต่ว่าเห็นมีตัวเราพยายามไปสักทำสักแต่ว่าเห็นมีตัวเราพยายามสักแต่ว่าได้ยินมีตัวเราไปทำสักแต่ว่ารู้อาการทางใจมีแต่สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารู้อาการทางใจค่ะนี่แหละที่ที่มันนิดเดียวเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาเหมือนว่าอย่าเอาเราไปสักแต่ว่ารู้อย่าเอาเราสักแต่ว่าเห็น อย่าเอาเราสักแต่ว่ารู้สึกคือปล่อยให้มันผ่านไปใช่ค่ะเข้าใจคืออย่าเอาเราเป็นตัวตั้งให้ปล่อยผ่านไปโดยที่มันเป็นธรรมชาติของมัน<ช>เข้าใจค่ะไปมารู้สึกว่าตัวเราเนะเป็นผู้ได้ยินตัวเรานะเป็นผู้ได้ยินวาเราเห็นไรก็ ไม่มีใครในโลกนี้ที่มาคอยทำเขาเห็นอะไรตัวเราผู้เห็นนะตัวเราผู้เห็นนะไม่มีเรามันเห็นก็คือเห็นทั้งวันน่ะได้ยินอะไรก็ได้ยินทั้งวันทาไมเคยมีความรู้สึกว่าตัวเราได้ยินนะตัวเราได้ยินนะพอได้เห็นอะไรก็ตัวเราเห็นนะตัวเราเห็นนะเราลืมไปพอมีอาการทางใจ่ะทุกความคิดทุกเกิดอาการไม่ว่าโปกงโล่งสบายหรือมันแนบดึกดื่นตื่นอาการทางใจทั้งหมดะพอมีอาการทางใจเกิดขึ้นนะก็ไม่เคยมีพอมีอาการทางใจที่ถูกรู้นะ ตัวเรานะเป็นผู้รู้ตัวเรานะ่ะเป็นผู้รู้มันก็รู้แต่อาการของใจแต่ไม่เราเมื่อตัวเราน่ะเป็นคนรู้ตัวเราน่ะเป็นคนรู้พอเห็นก็ตัวเราน่ะเป็นคนเห็นพอได้ยินตัวเรานันมันก็มีแต่เห็นรูปไปเลยได้ยินเสียงไปเลยรู้อรู้อาการของใจไปเลยแต่ไม่มีตัวเราและธรรมชาติก็เป็นอย่างานัง้นจริงๆเออพูดใหม่ หน้าเนี้ยหนูกําลังสงสัยอยู่เหมือนการที่ที่หนูบอกว่าหนูอยากํายตาละคนอยู่เยอะคือคือเวลาหนูโกรธเวลาหนูแบบเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยใจมันไม่เจ็บไม่ปวดอ่ะมันเลยแบบว่าไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงทีเนี้ยหนูลืมไปว่าหนูอ่ะเอาตั ว, ต, วตัวที่ความรู้ไม่รู้สึกอะไรเนี่ยมาเป็นใจของหนูอืออันเนี้ยค่ะที่หนูกําลังสับสนสับสนเนีไยค่ะจะเลยพลาด่ยไงใช่ค่ะคือเอาประตูในอะ่ะประตูใจมาเป็นตัวเราใช่ มันหวงโงงอ่ะหนูก็เลยแบบจับไปถูกเอ้ยไอ้ใจมันยังหวงโงงแต่เราโกรธนะเราเสียใจนะเราแบบมีอารมณ์นะแต่มันหวงโงงมันก็เลยเอาถุงใส่อันนี้เราอะอาการโงงโงก็เป็นมันเป็นอายะนาเภ่นอกไปเลยตอนี้พรเป็นอาการที่ถูกจับได้โงงโงงมันเป็นอายะนาเภ่นอกใช่แต่ประตูใจมารู้โดยผ่านประตูใจว่าเออใจเนี่ยเอเรียกว่าไปผู้รู้อาการของนั้นใช่ไม่โงงโงแต่ไม่มีใจไปรับโงงโงนั้นมันก็ได้แต่มีอาการโงงโง แต่ไม่มีตัวเราเป็นผู้บอกมีแต่อาการที่ถูกรู้ค่ะอนนตัวเราผู้รู้ไม่ ม, ไไ ม, ม, ม, ไมีตัวเราผู้ไปรู้ว่องวงไม่มีแต่พอมีว่องวงเฮ้ยตัวเราหว่องว่องไหมอต่พอมีอาการเอ้ยเราเราตัวเราเป็นอย่างไรตัวเราเป็นอย่างงี้มันมันมันสลับผิดธรรมชาติใช่ ม, ม, ชมันไม่เห็นมันไม่เห็นตรงนั้นน่ะเห็นจะถามหลวงตาว่าตอนเนี้ยเหมือนสับสนกันอยู่อยู่เนี่ยเหมือนมันตีกันตรงเนี้ยค่ะหลวงตาที่มันรู้สึกมันตีกันที่สุดก็คือความรู้สึกเนี่แหละค่ะ มันมันแบบมันไม่ไปตามความคิดะคอะะ ม, ม, <laughs> มันก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่าอันนี้ใช่เอ๊ะแต่หนูคิกว่ามันไม่ใช่นะมันเถียงกันอยู่เมืยอไงอะค่ะหลวงต า, างลเลยเห็นยากอยู่ก็ทั้นี้เนี่ยเราบอกแล้วว่าเบื้องหลังของรูปที่ถูกเห็นไม่มีเรา<โ>เอามือไปกั้นก็ไม่มีอะไรเป็นควมามว่าไม่มีไม่มีเรา <laughs> ลองกั้นดิเนีน่ยตาเห็นเราอยู่เนี่ยเห็นแต่ตัวเราแต่ ไม่มีตัวเราผู้เห็นแล้วก็เป็นความว่างด้วยตัวเราก็ไม่เห็นแถบแถบเป็นความว่างโดยข้างหน้าเราได้เป็นความว่างหมดพอได้ยินเสียงฮะได้ยินเสียงเราลองดูสิเนี่ยตาของเราได้ยินหูก็ได้ยินเสียงเราลองมือไปกัน ร, ระหว่างเนี่ยระหว่างหูเรากับเสียงเนี่ย <ulos S 2> มันไม่รู้สึกถึงมีตัวเราผู้ ผ, ผู้ได้ยินเสียงมีแต่เสียงเราแต่แล้วก็เสียงเนี่ยมาถึงเราได้ยังไงวะทําไมเสียงมาถึงเราอ่ะตัวทั้งที่ตัวเราไม่มีได้ยินเสียงแต่เสียงมันมาดังเรามาถึงเราได้ไง ไปดูนี่อามันเป็นความว่างเลยว่าแต่อย่างนั้นอ่ะเบื้องหลังของทำอารมณ์อาการของใจมันต้องเป็นความว่างสิว่านี่ทําไมเราไปเอาอาการของใจอ่ะที่แน่นอึดอัดเนี่ยมาเป็นตัวใจข้างในเลยวะเนี่ยเพราะว่าพอเห็นรูปเนี่ยมันยังเป็นความว่างหลังหลังเบื้องหลังรูปมันจะเป็นความว่างพอได้ยินเสียงเบื้องหลังเสียงมันคั่นระหว่างรูปกับเราไป็นความว่างเสียงเนี่ยพอเสียงคั่นระหว่างเสียงกับเราเป็นความว่างเอาเรองนี้เป็นอาการของใจกับเราทําไมไม่มีความว่างวะเนี่ย มีแต่อาการห้องใจแน่นๆเนี่ยแต่ความว่างไม่มีเฮ้ยไม่ใช่เว้ยอย่างนี้ผิดแล้วเว่ยเพราะว่าระหว่างรูปกับเรามันเป็นความว่างอยู่ดีว่ะระหว่างเสียงกับเราผูได้ยินเสียงมันเป็นความว่างระหว่างอาการหองใจกับเราผู้รู้อาการใจมันต้องเป็นความว่างสิเพราะว่ามันเป็นอายันะภัยภายในเหมือนกันแต่มันต้องไม่เชื่อมต่อกันเลยอ้าวเบื้องหลังอาการห้องใจเป็นความว่างไปเลยอาการห้องใจเลยเกิดดับอยู่ในความว่าง นี่เห็นเห็นยากเหมือนกันนะคะหลูตาถ้าเกิดไม่เข้าใจมันก็จะหลงนะหลงนะคะคือหนูก็แบบสับสนมาหลายวันแล้วเนี่ยตรงเนี้ยค่ะมันเห็นยากหมายถึงว่ามันมันมันจับไม่ได้เพราะว่าตัวเราเราก็รู้สึกมันโงแต่อารมณ์โกรธมันก็มีมันตีกันอยู่มันค่อนข้างแบบถ้าเกิดว่าไม่ไม่เคลียร์ตรงเนี้ยคือก็ก็หลงไปเลยค่ะหลงตาอย่าทิ้งโยนในส่วนมนติการนะถ้ามันทิ้งโยนในส่วนมนติการคือต้องรู้สึกว่าอย่างที่ที่ เนี่ยกันในคําสอนเราเนี่ยที่พุทธก่อนจริงตรงเนี้ยต้องรู้สึกไว้ในใจอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นอย่นั้นพอเราไปรู้อาการของใจเนี่ยเราจะหลงใช่เพราะไอ้ทางรูปทางเสียงยังไม่ค่อยหลงเท่าไหร่พอไปรู้อาการของใจไอ้ประตูใจเนี่ยหลงเลยแล้วตอนเนี้ยไม่มันไม่ไม่ไม่ไม่เอาไอ้ไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทำอารมณ์เป็นอายตนาภายนอกไปแล้วมันเอาเป็นข้างในเลยเป็นใจเลยตอนเนี้ยพอพอพอโยนิโศปุ๊บมันก็เห็นเห็นว่าเราเป็นผู้กระทําแต่สักพักนึงก็หลุดไปอีก หลุดไปอีกก็อบตัวเองไปเป็นใจอีกค่ะหลวงตามันอย่างเงี้ยมันมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ออโต้เขาเรียกอะไรมันไม่สะเทียนนะคะหลวงตาเดี๋ยวมันก็กลับไปกับไม่เอาทำอารมณ์อะเป็นตัวเรามันก็ไปยึดเอาไอ้ใจเป็นตัวเราสิใช่ค่ะก็เลยแบบหลุดเลยพอพักนึงก็เออปล่อยแล้วไม่ไม่ทำอะไรและก็หลงไปเลยค่ะเพลินเลยค่ะหลวงตาแล้วก็มันก็มีมันเครียดอยู่ข้างในแบบวิเราจะทํายังไงดีแต่ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ก็เข้าใจค่ะ เออเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วค่ะบางทีมันมันต้องใช้คําสอนของหลงของหลวงปู่เทศก็อาจจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นหลวงปู่เทศเเท่งสีวิทินาเปกคือท่านบอกว่าไอ้ทุกกิริยาการเนี่ยที่ถูกรู้ได้เนี่ยไอทุกคิดทุกกิริยาการที่ปรากฏให้รับรู้ได้ในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเรียกวิจิตปรุงแต่งเรียกวิจิตไอ้ส่วนใจเนี่ย คือผู้ที่ไปรู้อาการนั้น mm. ใจผู้ที่ไปรู้กิริยาการนั้นส่วนไอ้กิริยาการทุกทุกคิดทุกอาการในขณะวัจนที่ปรากฏแล้วเกิดขึ้นแล้วดับไปไเรียกว่าจิตจิตพ <c oughs> <c oughs> ่งแต่ง <c oughs> ส่วนใจเนี่ยเป็นผู้รู้ไอ้กิริยาการนั้นแต่มันสำคัญอยู่ตรงนี้ที่ว่าใจเนี่ย <c oughs> ไม่มีอาการใดๆให้ถูกลับรู้ได้ <c oughs> ใจเนี่ยจะไม่มีกิริยาการใดๆ ให้ถูกลับรู้ได้ทางประตูใจเป็นเด็ดขาดเพราะอะไรใจเนี่ยมันเป็มีหน้าที่รู้เขามันไม่มีสิทธิ์ที่จะย้อนกลับมารู้ตัวมันเองเจ็บไหมใจเนี่ยเพราะอะไรใจมันไม่มีกิริยาการ ใ, ใดไงนี่ใจเนี่ยมันจะรู้อะไรได้ก็ต้องรู้กิริยาการที่ปรากฏให้รับรู้ได้แต่ใจเนี่ยมันตัวใจมันเองเนี่ยไอ้ใจผู้ไปรู้เขาเนี่ย มันได้มีกิริยาการใดๆมันได้มีกิริยาการใดใดให้ถูกรับรู้ได้แต่ถ้าเป็นกิริยาการใดๆให้ถูกรับรู้ได้มันเป็นจิตหมดเลยเป็นกิริยาการของจิตหมดเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าเราไปรู้ลแล้วใจมังงงงงงไอ้งงงงเนี่ยไอ้กิริยาการใดที่เราไปรู้ได้ว่าในใจเรามีกิริยาการใดๆเนี่ยมีอาการใดๆเนี่ยอันนี้มันจิตที่ปรุงแต่งหมดไม่ใช่ใจผู้ไปรู้เพราะใจเนี่ยมันได้แต่ไปรู้อาการนั้นแต่ตัวมันเนี่ย ไม่มีอาการ ใ, ใดๆงั้นเราไปรู้อะไรแล้วเนี่ยใจมันหงงโวงหงงโวงไม่ใช่ใจหงงหวงเนี่ยมันเป็นกียอาการมันเป็นอาการของใจเมื่อเป็นอาการของใจมันถูกรู้ได้โดยใจใจเป็นผู้รู้ไงไอ้ส่วนอาการของใจหรือเป็นระบุระบุเทสท์เรียกว่าเรียกว่าจิตเรียกว่าจิตแต่เราควรจะติดพูดเรียกว่าอาการของใจส่วนใจเป็นผู้รู้ <c oughs> คือมันคําเดียวกันเนี่ยจะจะไปสับส น, นกันแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าเอคือเราไปเรียกว่าไอ้ใจเป็นผู้รู้แต่เนี่ยไอ้อาการของใจเนี่ยมันถูกรู้อาการของใจเนี่ยถูกรู้แต่หลวงปู่เทสท่านเรียกว่าไอ้อาการของใจเนี่ยเรียกว่าจิตจิตปรุงแต่งเป็นอาการของจิตเรียกว่าจิต <c oughs> แต่ใจเนี่ยเป็นผู้รู้แต่ก็คือเหมือนกันแหละอแต่ต้องการให้รู้ว่าไอ้ใจเนี่ยมันไม่อาจจะถูกรู้ได้อ <c oughs> เหมือนถ้าเกิดเราจับได้ปุ๊บแสดงว่าเราปรุงแต่งแล้วไม่ได้ถ้าจับได้ทั้งหมดไปเราเนี้ยมันเป็นจิตหรือเป็นอาการของใจทั้งหมดไม่ใช่เราปรุงแต่งให้ปล่อยวางให้หมดปล่อยวางเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่าไม่ใช่ใจค่ะแล้วท่านพูดคำว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานเข้าใจแล้ะสังเกตไหม ก็ใจไม่อาจจะถูกรู้ได้ใจไม่อาจจะถูกรู้ได้เพราะอะไรขนาดเอาตาไปเห็นก็มองไม่เห็นใจเอาหูไปดินเสียงใจก็ไม่ได้ไม่รู้ใจเอาจมูกไปดมใจก็ดมไม่ได้เอาลิ้นไปเรียใจก็เรียไม่ได้เอากายไปสะัสใจก็สะพัสไม่ได้ร้ายที่สุดประตูใจเอาใจไปรู้ใจก็ไม่ได้อีกใจมันรู้ได้แต่อาการของใจหรือรู้ได้แต่จิตที่ปรุงแต่งแต่ใจเนี่ย มันกลับรู้ใจไม่ได้ง mm. ั้นคิดดูสิเราจะรู้อะไรด้วยเราก็ต้องรู้ได้อายะตนะต้องเอาตาไปเห็นเอาหูไปได้ยินเอาจมูกไปดมเอาลิ้นไปลิ้มรสเอากายไปสัมผัสเอาใจไปรู้อาการของใจแต่มันไร้สุดครับท่านบอกว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมแล้วจะพบมันได้ยังไงก็เมื่ออายตนะตั้งหกมันไม่มันไม่ ไม่สามารถไปหาเจอเนี่ยไปรู้มันก็ไม่ได้มันรู้ได้แต่อาการของใจใจเนี่ยมันรู้ได้แต่มันไปรู้แต่เขาแต่ไม่มีใครรู้มันได้แต่เขาบอกว่าถ้าใครพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานแต่อาก็ใจอ่มันได้ไปรู้เขาแล้วไม่มีใครอ่านรู้มันได้้จะพบได้ยังไงเราก็งงอยู่พักใหญ่ตรงเนี้ยพญานี่ อะไรที่ถูกรู้ได้ทิ้งให้หมดเลยไม่เอาสักอย่างเดียวเพราะอะไรก็อันไหนที่ถูกรู้ได้มันไม่ใช่ใจสักอันเพั้นไอ้ทุกความรู้สึกมันคิดอารมณ์มันโปรงมันโง่มันเบามันสบายมันว้าเวิร์กวางเหมือนดังอวกาศอันเนี้ยมันสามารถรู้ได้ว่าอันนี้มันเป็นยังไงอันเนี้ยทิ้งให้หมดเลยโยนทิ้งหมดไม่เอามาไว้ในใจเลยเมื่อเราไม่เอาอะไรเลย ทั้งหมดนันที่ถูกรับรู้ได้ไม่เอามาไว้ในใจเลยมันเลยกลายไปเป็นใจโดยอัตโนมัติแต่เราจะไปหามันเนี่ยหาไม่ได้ด้วยความคิดเราเนี่ยเอาไปคิดวิเคราะห์ยังไงให้ไปถึงมันก็คิดไปไปไม่ถึงจะเอาอายตนาต้องหกที่เรามีเป็นเครื่องมือที่เราพอจะไปรับรู้ได้ไปหาได้มันก็หาไม่ได้เพราะว่าเราจะหาได้ก็ต้องเอาตาไปหาเอาหูไปหาเอาจมูกไปดม เอาลิ้นไปเลียเอากายต้องผัาเอาใจไปไปหาไปแต่นี่มันหมดสิทธิ์ที่จะเอาประตูทั้งหกประตูไปหามันก็ไม่มีทางใจนะมีทางเดียวตอนนั้นเนะี่ยปล่อยวางสิ่งที่มันสิ่งที่มันรับรู้ได้ทั้งหกประตูไปให้เกลี้ยงเลยไม่เอาอะไรเลยสักอย่างเดียวมันเลยพบใจเพราะว่าใจมันไม่อาจจะถูกรู้ได้ไงพอเราเราปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้ไปทั้งหมด มอนเลยพบใจเลยผู้ใดพบใจผู้นั้นพบถามผู้ใดถึงใจผู้ น, นั้นพูดถึงใจมันซ่อนเงื่อนกระดูก น, นี้นิดหนึในคำสอนท่านเราก็เล่นงงๆแบบนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้นั้นใจอ่ะจะต้องไม่ไปเอาไม่ไปเอาอะไรไม่ ในอาการในใจทั้งหมดจะไม่ต้องมีอาการใดเลยแมย้แต่น้อยหนึ่งนิดถึงที่มีคุณค่ามีความสําคัญต่อใจจึงหยุดหาโดยสิ้นเชิงถ้าเมื่อไหร่แล้วไม่หยุดหาเนี่ยแสดงว่าคุณจะไปหาในสิ่งที่สามารถเอาตาไปเห็นได้เอาเอาเอ า, เอาหูไปดเอาไปฟังได้เอาจมูกไปดมได้เอาลิ้นไปเรียรได้เอากายสัมผัสได้เอาใจไปรับรู้ได้ถ้าคุณไม่หยุดหา ยังหลงอยู่นั่นเองอาฆาตพบความชา่วก็ไม่เจอหรอกเพราะว่ามันไม่อาจจะหาได้ทั้งไม่อาจจะเห็นได้ทั้งยัจยัตนะทั้งหกแล้วจะไปหามั็นยังไงมันจะหาได้ก็ต้องอาศัยอัยตนาทั้งหกเนี่ยอาศัยความคิดปรุงแต่หาไปก็หาไม่ยิ่งหาไม่ได้ใหญ่ในสุดนะต้องหยุดหาหยุดหาและเห็นว่าทุกอย่างทั้งอาจยัตนะภายนอกและอาจยตนะภายใน ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราอย่าเอา ม, ามีค่ามีความสำคัญต่อเรา